บุกทูสี่สิบหกเจสตินสตีริดสัสเซในดิสโกเทกว่ดิสโกเทกิที่นั่งนี้ว่างไหมครับยอยากจะมสต๊าปราสตรผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ เชิญครับคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ k a <ak> k นาเสีเสียงดังไปนิดครับมนยแต่วงดนตรีเล่นดีมากครับยบ จิสโซวเรดคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับอลิสเตโปโกสโตุคไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับน่ปรวิชสัทุคผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับเจนิโคลินิสันบิลตูเจนิโคลินิสับิลตู คุณอยากเต้นราไหมครับออีกเดี๋ยวอาจจะไปครับผมเต้นไม่เก่งครับง่ายมากเลยครับผมจะแสดงให้คุณดู าวัมไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับเน่รายชิกได้ดรูก้กิชคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับอาลินาเนโคโกาชากะเทใช่ครับรอแฟนอยู่ดานาฟันท่ะเขามาแล้วครับ เอวูกาทัมปริก j ยา